Bye. เทียนสอนให้มีสติสัมปชัญญะโดยการสร้างจังหวะ14จังหวะแล้วก็ททำดูแล้วก็อยากบอกอยากสอนให้อยากชวนให้ทำดูให้สัมปัดดูพ่อเทียนสอนให้เรารู้จักรูปทำนามธรรมสอนให้พวกเรามารูจักรูปทำนามธรรมมันมีค่ากลเป็นรดชาติของชีวิต เสมือนเราได้กินอาหารดีๆก็คิดถึงญาติพี่น้องผู้พัญญศสามีของนตนของผู้เทียนสอนเราให้เห็นความคิดที่มันรกคิดมีสติมันเกิดรสชาติตรงนั้นอีกมันเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมันมั่นใจก็อยากบอกอากสอนคนอื่นให้เห็นเรื่องนี้กันบ้าง จริงเรานี้ไม่ไใช่เป็นของเอาไปฝากกันเป็นการชวนให้ ท, ทําจึงจะพบเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ให้เหมือนอาหารดีๆนำไปฝากกันนั่นก็ทำได้แต่ว่าเรื่องนี้มันธรรมดาก็มีวิธีเดียวคือจะต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้มาทําอย่างนี้มีผู้พูดให้ฟังมีผู้ทำมันจึงจะเกิดขึ้น อะไรก็ตามเถอะถ้าเรามีสติเนี่ยจะเป็นความยากก็ช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะเป็นความง่ายช่างมันถ้าเรามีสติเป็นความสุขความทุกข์ความรูความหลงช่างหัวมันแต่เป็นความยากจนมั่งมีอะไรก็ตามช่างหัวมันว่าแต่เรามีสติหรือจะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราขยันเงินเพียรจะจนช่างหัวมันจะรวยช่างหัวมัน ไม่ต้องกลัวถ้าเราเขายันหนันเพียนไม่สะลุ้ยจดร้ายนี่ความเห็นชอบตั้งใจชอบเพียนชอบเลือกชอบทํางานชอบจะเป็นเรื่องใดก็าตามมันก็มีหลักอยู่ตรงนี้คิดเรานี่เคยสูตรสําเร็จเป็นหลักถูกต้องงั้นเราสวดไปจี้เนี่ยกร า, รามชนในโบู่บ้านการามชนนี้เป็นทางผ่านของนักสรศาสนาผู้ทั้งหกก็ไปเท่านั้น กะกุจะกจัยนะอาทิเกิดกำผลชนใสวัต บ, บุตรอาจารย์ธิสาประโมุดผ่านบ้านตรงนี้เพราะเป็นทางผ่านของนัก ส, สรศาสนาสมัยต้นๆที่พระพุทธเจ้าก็เคยไปผ่านทางนี้หมู่บ้านาพวกกา ร, รามชนก็มาหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายครูทั้งหกกดก่อนพระพุทธเจ้าของเรา เราก็สอนกันอยู่แล้วท่านพระเจ้าเดินห่านไปก็ไปสอนธรรมาทิตย์มีความเพียรชอบความลึกคบตามใจชอ บ, ช อ, บอะไรต่างๆพวกหมู่บ้านกัลยาณมชนมาฟังก็โวยวายขึ้นเพก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีอาจารย์ทิสาประโม่ก็สอนอย่างนี้อาจารย์สนใสัรรดาบรบก็สอนอย่างนี้อาทิกย์กับคำพนก็สอนอย่างนี้กุกุจักกัจจายนะก็สอนอย่างนี้ ท่านมาก็มาสอนอย่างนี้ใช้เราเชื่อใครเจ้าก็ตัดอย่าเชื่อขึ้นสิบอย่างอย่างที่เราสวดบัญญีเนี่ยเราเชื่อใครล่ะเพื่อการกระทําของเราเรามีสติมันเป็นยังไงแล้วความหลงมันเป็นยังไงมีสติจะทุกข์ก็ช่างของมันเป็นอย่างนั้นมีสติจะสุขก็ช่างมันมันจะหนึ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยอันนี้ไม่ต้องมาเชื่ออะไรกัน เอาไปทําดูเอาไปประกอบดูเราหิวข้าวเราต้องกินข้าวขณะที่กินข้าวอยู่นั่นน่ะจะอิ่มก็ช่างของมันจะไม่อิม่มช่างของมันเราเชี่ยวอาหารคืนลงไปทุกคําทุกคำกคำ็อิม่มจะต้องถามใครไหมฉันอิ่มแล้วไม่ต้องมีคําถามถ้าเราเชี่ยวอาหารคืนไปแต่อย่าไปคิดว่าอันนี้อันนี้ไม่อร่อยอันนี้ชอบ เอาความหิวพาให้กินอาหารอาจจะไม่ยอดเพราะอารมณมันเข้าประโยชน์ในกับเพราะอาหารก่อนหรืออาจจะไม่กินไม่ได้สมัยเป็นเด็กเลี้ยงควายชื่อวัยเต็มหิวข้าวมาไม่ห่อข้าวไปเลี้ยงควายกลับมาบ้านหิวข้าวร้องไห้เวลากินข้าวถือค้อนไว้จะมากวนนะโกรธเวลากินข้าวห้ามใครมากวน ห, ห้ามใครมาลกวน เพราะเขาเหิวความหิวกัดทำให้เกิดศึกสงคารามไดหห้หิวหึงหวงเกิดสงคารามได้เพราะนี่นถ้าเรามีสติเนี่ยวันจะเป็นยังไงเราเชงเข้ามาใช้อกความหิวพาเย็นแล้วมีสติอย่างพระฉันจะไม่เป็นไปเพื่อความเพื่อเปิลสนุกสนานอะไรต่าง ๆ, ๆที่พระท่านฉันพิจารณาก่อนพิจารณาแล้วยังเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วจึงเว้นของอย่างหนึ่ง พิจาราแล้วจึงบริโภคของอย่างการย่อยการเชี่ยวชีวิตเราต้องขอบต้องเชี่ยวการที่ขบเชี่ยวคืออะไรคือสติสัมปชัญญะเรารู้สึกก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดมันกรอกดีแล้วนั่นก็ใช้ประโยชน์ได้การพูดก็ใช้ได้การคิดก็ใช้ได้การกระทําก็ใช้ได้ถ้าเราขาดสติมันก็หลุดไปแล้วก็ผิดทําผิดคิดผิดไปแล้ว นี่แหละคือกรรมมาฐานเราจะต้องมาฝึกหัดกันคำถามต่างๆอาจจะไม่หนีแม้มันเกิดขึ้นละที่เราปฏิบัติทำกีรันสติเห็นนี่มันยากมันง่ายจะทำยังไงจะทำยังไงไม่เป็นไรถ้าเรามีสติช่างของมันมันยากช่างของมันมันง่ายช่างของมันมันผิดช่างของมันมันถูกช่างของมันเราลูบไปรูบไปมันเฉลยไปเอง ปัญาหาต่างๆมันจะเฉลยไปนั้นเราเดินทางหนหลองตาพูดเมื่อวานเนี่ยหลองตาก็เป็นนักเดินทางสมัยเป็นหนุ่มเพราะไม่มีรถไม่เหลือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเจ้าพ่อไปขอเนเชิญหลายกามเมื่อไรจะถึงเมะไรจะถึงไม่ต้องไปคิดมันเดินไปเรื่อยเดินเหนื่อยก็ช่า ง, งมันร้อนก็ช่า ง, งมันปวดเท้าปวด ฝ่าเท้าช่าง ม, ามันสมัยก่อนเขาไม่ใสร่รองเท้านะเดินกระทางดินทรายบ้างร้อนบ้างแดดบ้างก็ยกก็เหยียดเข้าไปในตรงไหนที่มีหญ้าพอรองฝ่าเท้าเหยียบไปถ้าเหยียบดินทรายมันมันร้อนมากฝ่าเท้าก็บวมแดงแต่ว่าทราบไหมฝ่าเท้ามัน ก, ก็พัฒนาตัวมันเดินหลายวันหลายวันมันก็ด่างขึ้นมา ไม่มีรองเท้าหรอกสมัยโบราณตั้งแต่ 40-50 ปีไปเวลาไปป่าหนามเลี้ยงวัวเลี้ยงควยไปตัดไม้มาไผ่ย่าเอาต้นหนาม้วยไม่มีรองเท้าใส่เหยียบไปเพราะวันฝ่าเท่ามันหนาเหยียบก็ไม่เหยียบนหนามหักคาให้รู้จะเก็บมันก็พัฒนาตัวมันอะไรก็ตามมันเป็นทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดแต่เหตุจะดับเพราะที่เหตุของมันไปมันปรับตัวของมันเองถ้าเรามีสตินะ ถ้าเป็นความโลดจิตตัวความถูกต้องก็มาเป็นพวงเตินไปเองถ้ามีความหลงไม่ถูกต้องก็มาเองเป็นพวงเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าจะไปตะกุบตะกิดตรวนั้นตรงนีน้โราณท่านว่าหรือครับท่านาจร น, นักสอนโทรสอนว่าเหมือนจับปูใส่กระดง้งถ้าเวลาเราเจนสติมันหลงยากหรือมันหลงไปตะคุบความหลงเ แล้วเรามีสติมันคิดไปไปแต่คุบความคิดเหรอมันยากอย่างนั้นเลยไม่ใช่ไปไล่ความคิดไปห้ามไม่มันคิดเอาผิดเอาถูกกับการกระทำของตอนเองไม่ใช่เลยไม่ใช่จับปูจับกระดง้งมันมาเป็นพวงมันผิดแล้วก็รู้สึกตัวมันจะถูกความผิดทําให้ถูกได้ความทุกข์ทำไมรู้ได้จริงเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องสะดวกกว่า ก, การกระทํำอื่นใดการเจริญสติเนี่ย บางทีเราก็ออกไปข้างนอกกันไปเรื่องอย่างนี้มันเกิดกับใครเกิดกับเราเองไม่ใช่ไใครบารสนรสบการณเขาผิดแล้วถูกกับผู้กบคนมากใครทําอะไรคนนั่นผิดคนนี้ถูกเราชอบคนนั่นเราไม่ชอบคนนี้เลือกบ้าไปอยู่กับหลวงปู่เทียนเนี่ยครูอาจารย์ถ้าอยู่ก่อนแล้วก็ดูแล้วก็ไม่ชอบดูใครเราไม่ชอบเปรียบเทียบ ทานแม่พระเราเป็นโ ย, ยกเนี่ยสู้โราไม่ได้เลยเออันนี้บ้าบววไปไอุปทานสําคัญดีกว่าเขาเขาเหลีวกว่าเราเปรียบเทียบเอาผิดเอาถูกขณะที่ไปโยกับหลวงปู่เทียนก่อนเป็นผู้สอนเราก็มีบางข้างบางข่าวแต่การกระทําคนละอย่างกันเราเป็นบ้าเอาผิดเอาถูกกับเรื่งนั้นเรื่งนี้กติหลังนี้ดีกติหลังนี้ไม่ดี คนนั่นดีคนนี้ไม่ดีอะไรก็เลือกเอาดีเอาไม่ดีก็จริงเหล่านั้นแหะมันทําให้เราบุกเบิกผ่านไปหลวงปู่เทียนสอนเรามีสติเอาเดินอยู่นี่มีสติเอาอะไรไมาคิดเรนานั่งยกมือรู้สึกตัวโอ้มาลู่ถูกตัวเนี่ยเสียเวลาประกับความคิดท้าผิดท้าถูกกับจังเกินคนเด่นไหนบางทีหลวงปู่เทียนไม่ไปอยู่เอาหลวงปู่เทียนช่วยเราได้ละ่ะ อดีตสมัยก่อนจะตามหลวงเทีย น, นไปก็ไม่มีปัญญาค่ารถค่าเหลือไม่มมีไม่ค่อยมีปัจจัยจะเป็นต้องรับกรรมตกอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่ที่นั่นอดอยากก็อยู่ที่นั่นอดจนกินผงหนอกกับน้าพริกอาจารย์สมัยจียนนี่ชื่นใจอาการหิวข้าวเอาผงหนอกมากินน้าพริกเอาผงหนอกวมากินน้ําอ้อยอิย่มเหมือนกินข้าวเลย เป็นกำลังกำลังเลยเฮ้เราไปดูเราไปอยู่ไต้หวันแนวอาจารย์ที่ดังๆอยู่ไต้หวันพนะี่เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์าายเยอะแยะแนวประวัติของท่านท่านไปอยู่ในถ้าไม่กินอาหารหลายเดือนก็เลยดังขึ้นมาเราไปดูว่าตรงที่ท่านอยู่นะ่ะมีถ้าเล็กๆบริเวณถ้ำมัก็มีน้ำนํำซับน้ํำซึมผักนอกเต็นไปหมดเลยงามด้วย โอ้ยท่านอาจจะกินผกหนอกเนี่ยเราเคยกินผงหนอกด้วยมันอยู่ได้เนาะความยากความจนทําเราเขื่มแข็งได้เพราะประสบการณ์ในการปฏิบัติก็เหมือนกันะความทุกข์ความยากก็วันกัน่ะความเจ้ดวกก็วันกันจะไปเอาผิดเอาถูกมาไปหาไอ้เป็นใหญ่กลัวรู้ความรู้สึกตัวจะร่ำรวยก็สร้างหัวมันว่าแต่เรามีสติ ทุกจนช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะยากจะง่ายแยกหัวมันถ้าเรามีสติอะไรก็ตามลุยตรงนี้ด้วยเขาจะนินทาเขาสันเสริญจะได้จะเสียอะไรก็ตามช่างหัวมันเ้ามีสติไปเลยผ่านไปเลยใช้สตินี้ไปเลยสติมันใช้ได้ทุกกรณีไอ้ใช่เฉพาะมายก ม, มือช่างจังหวะกับเดินยกกลมมัใช้ตัวไห น, นใช้ทุกอย่างภายนอกภายใน พอนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูกระะที่ทำการที่คิดเราเห็นรูปทั้งปาังหูได้ยินเสียงแต่หูได้ยินใช่ไปเลยรู้สึกตัวมันกว้างใหญ่ไพศาลรอบรอบหน้าโลบผู้ที่มีหน้าโลบถ้ามันเป็นหน้าโลบได้เรียกว่าพระขีนอศกได้ขีนอาศกคือพระหลานนะผู้มีสติเป็นหน้าโลอบอาเธออะไรจะมาในโลกเนี่ยก็มีหน้าโลบ รู้ได้ทั้งนั้นจนเจ่งแค่เจ่งกล้าสามารถถ้ามันออกไปทางนี้ได้แล้วเห็นกายสภาวะกายเวทนาสภาวะเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสภาวะธรรมเนนั้นในกายไปแล้วหนื้อในตัวในตนไปแล้วไม่มีตัวมีตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมออกไปแล้วเมือนเราปล่อยโคมขึ้นท้องฟ้าออกไปแล้วหลุดเบอรไปแล้ว ปีหนึ่งที่วันปู่ขอทองปล่อยโคมลมไปตกอยู่ไม่ห้องสอนเขาเขียนมีหนังสือผู้ดูผู้เป็นไปด้วยให้ <c oughs> ติดใจกับครบใหญ่อาจารย์นังขานดำแล้วจดหมายต่อมาโอ้มันออกนอกไปถ้ามันเป็นวัตถุ ก, ก็ไปตกได้ถ้าเป็นดังมาธรรมไม่ลงตรงไหนหรือเมื่อการเกิดเจ็เจ็บตายมันออกไปแล้ว ออกไปตระ ก, กายเส้กักว่ากายไม่ใช่สัตว์ปวงตนตัวตนเราเขาเวท น, นาก็สักว่าเวท น, นาไม่ใช่สัตว์ปวงตนตัวตนเราเขาจิตที่มันชิดสุขุกขไม่ใช่สัตว์ปวงตนไม่ใช่ตัวตนเราเขาทมที่มันเป็นคู่กับจิตใจคู่กับตากับหูคู่กับจมูกลล่นตัวต่างๆที่มันเกิดทำขณะที่มันสัมผัส เป็นความรักความชังเป็นความดีใจเสียใจเป็นความรู้ความหลงชั่งหัวมันสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเร า, เาออกไปแล้วออกนอกไปแล้วออกนอกโลกคือกายมันกว้างศอกยาวอาณาเครือมีสัญญาคือจิตใจอันรูปอันนามแต่มันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายเราใช่นามหเลยก็ไม่ใช่แล้วนามมาทํามาให้เรารับใช้ไม่ใช่นามมาทําใช่เรา อาศัยไมาได้แต่ว่าเป็นเป็นหายจิตเป็นนายกายเป็นเบาวจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นนางเสือปัญญาเป็นผู้พายไม่เป็นนายนายแบบปลาเถื่อนก็แม่เอาเย็นๆแล้วทิ่งหมดเลยเหงาการเกิดเจติตาคืออะไรคือญาณทัศนะเกิดจากการเจริญสติไม่ใช่เกิดจากอะไรที่มีลิทธิปฏิหารเลย เกิดจากเราไม่สติมันเกิดเป็นยามเกิดมันรู้ตัวนี่งรู้ตัวนี่รู้ตัวนี่ขนส่งถ้ารู้เล็วขนส่งรู้ทุกพ้นทุกรู้ผิดพ้นผิดรู้สุขพ้นสุขรู้อะไรก็จะขนส่งแบบลักษณะขนส่งแบบนี้เป็นจิตเลยเป็นนามธทําเลยไม่ใช่เป็นเป็นตัวรู้เป็นตัวอยากมันเห็น ไม่ใช่ไปจบเอาบาบัมแผนจิตนิ่งไม่วันไว้อะไรอันนั้นมาก็ถูกถูกแบบนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้อะไรไม่รู้เดียมันไม่ได้เวลาปฏิบัติทำมันจะนั่งจะงงไม่ต้องรู้อะไรเลยอันนั้นถูกแบบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านั่งเสียนนอนหนํามไม่นุ่งผ้า อ, อะไรเขามีมาแล้วเก่งที่สุดเลยบวชกันเรื่องดังนั่นไป ในลิธิปฏิหารยงคงกระพันเรไปคิดจากนั้นอันนั้นทำได้เป็นบางคนแต่ไม่ใช่สากลแต่ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ปฏิปัติได้ถ้าทำแบบไม่นอนเลยสามสิบปีแล้วไม่นอนเลยก็ทำได้บางคนแต่เอาเฉยงเรื่องนั้นเดือกเอาเฉยงเรืนั้นเรื่องเดียวต้องเป็นผู้มีสติอีกเหนือมันอีกนอนนี่นไม่ถูก ไม่นอนถูกกว่าไม่กินข้าวกินข้าวไปถูกสัจธรรมคือภาะวะเรื่องควมรู้ึตัวๆมันจะมันจะพากออกไปเลยไม่ต้องไปจัดสรรเรื่องนั้นมันจะค่อยเป็นไปเช่นตาไม่เป็นใหญ่หูไม่เป็นใหญ่จะบุกเรื่องกายใจเป็นใหญ่เมื่อมีสติแล้วสติมันเป็นใหญ่กว่าเอาเช่นเรนั้นเป็นใหญ่เลยนี่คือของจริงแหะเอ้ยมันต้องเป็นอันเดียวกันแท้ ของจริงเนี่ยไม่ใช่คนระยาบเรามีความรู้สึกตัวเป็นคนหนุ่มก็รู้สึกตัวเป็นคนแก่ก็รู้สึกตัวเป็นพระก็รู้สึกตัวเป็นญาติโยมรู้สึกตัวเป็นญี่ปุ่นก็รู้สึกตัวเป็นชนไหนชาติใดป่าษาใดรู้สึกตัวได้ทางนั้นความรู้สึกตัวไม่ใช่จะมาสร้างไม่ใช่จ้องไม่ใช่เป็นหยามเผลาใช่ความรู้สึกตัวสิทธิร้อยประศิลป์มีให้เราชาติ ทันทีเลยยกมือขึ้นพลิกมือขึ้นลูดได้ทันทีไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเราใช้เอาไปต่อกายไปต่อจิตใจไปต่ อ, อ, ไ, ตอไม่ได้สร้างอยู่ในจิตก็มีสติอยู่ในกายก็มีสติอยู่ในตาก็มีสติอยู่ในหูรูบรู้จินเสียงมีสติทั้งนั้นไม่ใช่ตาไปสร้างสติไม่ใช่ไม่ใช่หูไปสร้างสติไม่ใช่กายไปสร้างสติทั้งเราจึงดูแลไม่ใช่นะ่ะเลือนตาขึ้น ก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดมีความรู้สึกตัวขนาดนี้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นอุปการะมากเหมือนพ่อเหมือนแม่เวลาลูกป่วยลูกเจ็บต้องขอร้องไหมแม่ช่วยผมด้วยพ่อช่วยผมด้วยไม่ต้องขอพ่อแม่ก็โดดช่วยทันทีสุดหัวใจสุดปีใหม่ของรู้สึกตัวเนี่ยสติชัจ่จะเหมือนพ่อเหมือนแม่ พูดเจ้าแจ้งได้ว่าโอกาสละคนณจะเหมือนพ่อแม่ยิ่งกว่าพ่อแม่พ่อแม่ก็าล้มหายตายไปแล้วอย่างโลุตาก็พ่อแม่ก็ตายไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกความเลกได้อยู่กับเราทุกโอกาสในหน้าจีต้องขาดเทียนเรื่องนี้พวกเราอราเดินจะขาดแทียนได้แต่เรื่องนี้ไม่สมควรที่ขาดเทียนเลยให้มั่งมียจ้าจน ถ้าจนตรองนี้ละมีค่าอะไรชีวิตเราอะไรที่เรายกมอือไหว้ตัวเองได้คือเรื่องนี้คือความรู้จักตัวนะ